มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวัคฏิสันธิษฐานะปัญหาที่หกถามว่า คนที่ตายแล้วจะไม่ถือเอาซึ่งปฏิสนธิคือไม่ต้องเกิดอีกมีบ้างหรือไม่ครั้งนั้นพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชบุตรฉาถามอัธปัญหาอันอื่นต่อไปว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าคนที่ตายไปแล้วจะไม่ปฏิสนธิเกิดมาเป็นร่างกายจิตใจสูญไปนี้จะมีบ้างหรือหรือว่าไม่มี พระนาคเกษได้ฟังพระราชโอลงการชนี้จิงถวายพระพรว่าดูราณะมหาบพิษคนบางจำพวกดับจิตแล้วไม่เกิดอีกก็มีที่กลับมาเกิดอีกก็มีพระเจ้ากรุงมิลินภูมิินทราธิบดีจิงซักถามต่อไปว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าว่าบุคคลที่ดับจิตไม่ได้เกิดอีกนั้นได้แก่คนจำพวกใดคนที่ดับจิตตายไปแล้วกลับเกิดใหม่นั้น ได้แก่คนจำพวกใดนิมนต์วิสัชนาไปให้แจ้งก่อนพระนาคเสเนถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบอพิษคนที่มีราคาที่กิเลสดับจิตแล้วเกิดใหม่ที่หากิเลสไม่ได้ดับจิตแล้วไม่เกิดอีกขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินจึงย้อนถามว่าก็พระผู้เป็นเจ้านี้เล่าดับจิตแล้วจะเกิดไหม หรือว่าไม่เกิดอีกในพบเป็นประการใดพระนาคเษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐทว่าอัตมาประกอบไปด้วยกิเลสดับจิตไปก็ต้องเกิดใหม่ทว่าอัตมาหากิเลสไม่ได้ก็จะดับสูญไปไม่เกิดอีกขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินสารคระนครก็มีพระราชะองค์การสรรเสริญว่า กันโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วปฏิสันทีขหานะปัญหาคำรบหกจบเท่านี้